สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่แปดสิบสี่แล้วนะครับสิทธิอำนาจแห่งพระดารัตของพระเยซูตอนที่สองครับในเช้าวันนี้พระชนะของพระเจ้าก็อยู่ในเรื่องราวของการที่บุตรชายของแม่ไม้ที่นาอินนั้นด้วยสิทธิอานาจแห่งพระดำรัตของพระเยซู ทำให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายเราจกในลู ก, กาบทที่เจ็ดนะครับข้อสิบเอ็ดถึงข้อที่สิบเจ็ดครับลู ก, กาบทที่สิบเอ็ดข้อที่ลูกขอโทษกับลู ก, กาบทที่เจ็ดข้อที่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่สิบเจ็ดนะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าต่อมาพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาอินเราสาวกของพระองค์กับคนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไป เมื่อมาใกล้ประตูเมืองนั้นดูเถิดมีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมาเป็นลูกคนเดียวของแม่และนางก็เป็นหญิงไมยชาวเมืองเป็นอันมากมากับหญิงนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นมารดานั้นพระองค์ทรงเมตตากรุณาเขาและตระัสว่าอย่าร้องไห้แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องลงคนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่พระองค์จึงตรัสว่า ชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดคนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นเริ่มพูดพระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขาฝ่ายคนทั้งปวงมีความกลัวและสรรเสริญพระเจ้าว่าท่านเป็นผู้เผยพระชนะใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเราและพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์แล้ว และกิตติสัพปะของพระองค์ได้เลื่องลือไปตลอดทั่วแคว้นอยู่เดียวและทั่วแคว้นร้อมรอบพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูได้ทรงสแสดงสิทธิอํานาจของพระองค์ผ่านทางพระดํารัสของพระองค์ครับลูกาเพียงเล่มเดียวที่บันทึกเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พระเยซูทรงรักษาทาตของนายร้อยที่เมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งเราได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับในวันนี้พระเยซูกับเหล่าสาวก และควรเป็นนั้นมากติดตามพรงไปมาถึงเมืองนาอินนะครับเมืองนาอินนั้นเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของแคว้นกาลีลีห่างจากคาเปอร์ูมไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณสี่สิบกิโลเมตรครับก็ถ้าหากว่าใช้เวลาเดินทางนะครับก็คงจะเดินทางเป็นเวลากินเป็นกินเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเมืองที่ใหญ่และก็มีป้อมปราการนะครับล้อมรอบแน่นหนาะ แต่ก็มีประตูครับพระเยซูทรงเดินทางมาที่มานะครับตลอดวันขณะที่จะเข้าเมืองก็ปรากฏว่าได้เจอกับขบวนหามศพเดินออกจากประตูเมืองไม่ไกลนักนะครับจากที่นั่นก็คาดว่าจะมีสุสานที่มีอุโมงค์ฝังศพครับพี่น้องครับในข้อที่สิบสองนะครับพระมทีได้กล่าวว่าชายหนุ่มผู้ตายนั้นได้นอนอยู่ในโลงนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับเขานอนอยู่ในแคร่นะครับซึ่งหาออกมาแล้วก็ชายหนุ่มคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวของหญิงม่ายคนหนึ่งในเมืองนาอินนะครับหญิงม่ายคนนี้น่าจะเป็นคนที่รู้จักมักปีมักคุ้นของชาวเมืองอาจจะเป็นไปได้ครับว่าลูกชายของเขานั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งสามีของหญิงม่ายที่ได้ตายไปแล้วนั้นมีชื่อเสียงมาก พราะพระอภิเษกบัร ญ, ญายว่าฝูงชนกลุ่มใหญ่จากนาอินร่วมมาในกระบวนแห่ศพด้วยเพียงครับในตามประเพณีในสมัยนั้นนั้นกระบวนแห่ศพนะครับก็จะมีพวกนักดนตรีบรรเลงเพลงนะครับมีคุยมีชิงมีฉาบนําหน้านะครับพระอพีบรรยายว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้จับขบวนนั้นพระเยซูรทรงมี ความสงสารนะครับแล้วก็โปรงก็ตรัดกับหญิงไม้คนนั้นว่าอย่าร้องไห้เพราะนะครับคําว่าอย่าร้องไห้ในภาษากรีกนั้นมีความหมายลึกซึ้งมากครับเป็นคําที่แสดงความรู้สึกนะครับหรือมีแพชชั่นคือความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งที่สุดของพระเยซู OG เป็นคําที่หนักแน่นที่สุดในภาษากรีกนะครับมีความหมายถึง ความสงสารเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งทีเดียวและพูดออกไปว่าอย่าร้องไห้พี่น้องครับพระเยซูทรงทราบเรื่องราวความสลดใจความน่าสงสารนะครับที่พระเยซูได้เผชิญโดยที่เห็นผู้หญิงคนนี้มีความสดใจมีความสลดใจมีความทุกมีความเวทนาหน้าเวทนามากพี่น้องครับสมัยก่อนนั้น หญิงไม้ไม่มีลูกชายนั้นก็เป็นสภาพการที่น่าเห็นใจนะครับเป็นสภาพความทุกข์เข็นที่น่าเวทนามากเพราะจะไม่มีใครปกป้องดูแลผู้หญิงคนนี้ต่อไปนะครับเมื่อนางแก่เท่าหรือเมื่อนางป่วยและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าไม่มีใครสืบสกุลไม่มีใครดูแลครับสินของครอบครัวเปโูรทรงรู้สึกเวทนาสงสารเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งโปร่งจริงพูดกับ พูดกับผู้หญิงม่าคนนี้ว่าอย่าร้องไห้พี่น้องครับท่ามกลางเราอาจจะมีหลายหลท่านที่มีความสงน่าสงสารได้ประสบกับความทุกข์ยากลําบากได้ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหากในวันนี้ท่านได้ยินคําตัดของพระเยซูว่าอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้อย่าร้องไ ห, งห้พี่น้องครับ เชื่อแนว่าชีวิตของท่านนั้นจะได้รับสิ่งทีเพราะพระเยซูทรงเห็นอกเห็นใจและพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายและพระองค์ทรงสงสารเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งครับเพิ่มพีใกล้กล่าวต่อไปว่าพระเยซูทรงแต่ต้องแคร์และคนหามศพก็หยุดยืนคนทั้งขบวนก็หยุดด้วยนะครับพี่น้องครับอิสโซเอลไม่ได้ใช้โรงศพนะครับในการที่จะเคลื่อนขบวนหรือ เคลื่อนศพแต่ผู้ตายนั้นจะวางอยู่บนแคร์ครับหามออกไปฝังในอุโมงค์ฝังศพ บ, บางชัางบางครั้งนะครับแค่นั้นก็ใช้ไม้สารนะครับเป็นรูปลงศพนะครับแต่หากแต่ว่าในกลุ่มชนนั้นมีชาวยิวอยู่ด้วยพวกเขาก็คงจะต้องตะลึงครับเพราะอะไรครับเพราะเห็นพระเยซูแตะต้องแคร่หามศพซึ่งเป็นการกระทําที่เป็นมลทินครับเพราะว่าคนใดก็ตามครับที่ไปแตะต้องแคร่หามศพหรือแตะศพ หรือนะครับทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับศพนะครับก็จะเป็นมนถินและไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตให้เข้าไปในสถานธรรมสถารพระเจ้าในธรรมศาลาหรือในพระวิหารจนกว่าจะประกอบพิธีชำระเสียก่อนอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่บันทึกไว้อยู่ของโมเสสนะครับเพื่อป้องกันไม่คนยิวนั้นจะติดเชื้อโรคจากศพเพราะว่าศพในสมัยก่อนนะครับก็ตายด้วยโรคติดเชื้อสะส่วนใหญ่นะครับ การแตะศพนั้นทำให้มีโอกาสที่คนแตะศพนั้นจะติดเชื้อได้อันนี้เป็นพิธีนะครับจะต้องผ่านพิธีชาระเชื้อก่อนนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นไม่สนใจเรื่องกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นแต่พระเยซูกลับเห็นใจผู้หญิงคนนี้และอยากจะช่วยให้นางคนนี้ได้พ้นจากความทุกข์พระเยซูยิ ง, ง, ยงจัดกับคนตายว่าชายหนุ่มเอย๋ยเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดคนตายนั้นก็ลุกขึ้น นั่งและเริ่มพูดตรงก็ทรงมอบชายหนุ่มให้แก่หญิงผู้เป็นแม่พมพีบันทึกต่อไปนะครับบอกว่าฝ่ายคนทั้งปวงก็มีความเกรงกลัวไม่แปลกครับที่เขาตกใจกลัวเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นคนเป็นขึ้นจากความตายมาก่อนครับและไม่ไกลจากที่นั้นเท่าไหรนะ่นักนะครับเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นบันทึกอยู่ในสองพงศรรษบทที่สี่นะครับจะเห็นว่าผู้เผยพระชนะท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้พโพชนะใหญ่ครับก็คือเอลีชา นะครับเคยเรียกบุตรของผู้หญิงชาวชูเนมให้เป็นขึ้น่มาความตายอันนี้เกิดขึ้นนะครับประมาณหกเจ็ดร้อยปีที่แล้วพี่น้องครับปรากฏว่าเมื่อพระเยซูได้สั่งให้ชายหนุ่มคนนี้ลุกขึ้นจากความตายคนทั้งปวงเมื่อเห็นเขาก็พากันสรรเสริญพระเจ้าครับและพูดว่าท่านเป็นผู้เผยพระฉจนะใหญ่นะครับได้เกิดขึ้นท่ามกลางเราแล้ ว, แ ล, วและพระเจ้าได้เสด็จบายเยี่ยมเยยนชนชาติของรงแล้ว พี่น้องครับนี่คือสิเตทธิอำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูรเราเห็นว่าพระเยซูทรงตรัสนะครับและทุกสิ่งก็เกิดขึ้นขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้ขอให้วันนี้ซึ่งพี่น้องจะไปโบสถ์จะได้ยินคาตรัสของพระเยซูและพระเยซูจะพูดกับผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบากว่าอย่าร้องไห้อาเมน